และก็ได้แสดงอธิบายแต่ละข้อขยายความออกไปดังในข้อทุกข้อแรกก็แสดงด้วยเริ่มว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ เป็นต้นรวมอยู่ในข้อทุกข์กัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์แต่ในที่นี้ท่านได้จาแนกแจกแจงออกไปอีก คือในข้อทุกขสกัตจิสภาพที่จริงคือทุกข์ที่ได้ยกเอาชาติทุกข์ชาราทุกข์มรณะทุกข์ขึ้นมาแสดงก็อธิบายขยายความว่าแม่ในสามข้อนี้เอง ก็ยังเป็นอริยสัจ ท, ทั้งสี่ได้คือชรามรณะความแก่ความตายชรามรณะสมุ ท, ทยัย เหตุเกิดแห่งความแก่ความตายก็คือชาติความเกิดดังที่แสดงไว้ว่าชาติติปีตุขาชาติคือความเกิดเป็นทุกข์นั่นนั่นแหละชรามารณชราม ร, าาามราณะนิโรธดับความแก่ความตายก็คือดับชาติความเกิดเสีย ชรามรณะนิโรธะปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะอันเรียกว่าชรามรณะนิโรธาคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะก็คือมักมีองแปดสำหรับในข้อสี่นี้อธิบายเป็นข้อยืนเพราะฉะนั้น แม้ในข้อทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกที่อธิบายกันทั่วไปนั่นสามข้อข้างต้นก็มาจําแนกเป็นอริยสัจสี่อีกได้สำหรับเป็นทางพิจารณา อันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งแปลว่าอธิบายจับเหตุจับผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น แปลตามศับก็แปลว่าธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันในกันบังเกิดขึ้นเป็นไปเหมือนอย่างลูกโซ่ลูกที่หนึ่งก็เป็นปัจจัยของลูกที่สอง ลูกที่สองก็เป็นปัจจัยของลูกที่สามลูกที่สามก็เป็นปัจจัยของลูกที่สี่เชื่อมโยงกันไปดังนี้เป็นสายโซ่และในการพิจารณาจับเหตุจับผล หรือจับปัจจัยจับผลที่โยงกันไปเป็นสายโซ่ของสังสารวัตรคือความท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ก็พิจารณาจับได้ตามนัยปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ดังกล่าวและในการที่จะจับขึ้นมาพิจารณาให้เห็นได้ สะดวกก็จับพิจารณาอังแข่งเทราธิบายของท่านปรสาลิบุตรนี่ตั้งต้นจะจับชารามรณะความแก่ความตาย เมื่อความแก่คืออะไรความตายคืออะไรให้รู้จักความแก่ให้รู้จักความตายและก็พิจารณาให้รู้จักสมุทัยของความแก่ความตายว่าคือชาติความเกิดนั่นแหละ เป็นสมุทัยของความแก่ความตายให้รู้จักความดับความแก่ความตายแล้วก็คือดับชาติคือความเกิดเสียได้ก็เป็นความดับความแก่ความตายให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับความแก่ความตาย คือดับชาติดังกล่าวก็คือมักมีองแปดซึ่งมักมีองแปดนี้เป็นข้อธรรมะปฏิบัติที่ยืนเพราะฉะนั้น ภูมิุ่งอบรมสมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดังประเทราธิบายที่ท่านได้แสดงมาโดยลาดับจับตั้งแต่ให้รู้จักอกุศลอกุศลละมูลให้รู้จักกุศลกุศลละมูลให้รู้จักอาหารทั้งสี่ ให้รู้จักอริยสัจทั้งสี่โดยอธิบายทั่วไปอันเป็นหลักใหญ่แล้วท่านจึงมาซอยให้เห็นเงื่อนที่ต่อเนื่องกันไปเป็นสาย เหมือนอย่างสายโซ่ดังกล่าวนั้นโดยให้จับพิจารณาให้รู้จักก็ตามหลักผลลายเหตุด้านเกิดและด้านดับแห่งอริสัตย์ทั้งสี่ เป็นหลักใหญ่นั้นนั่นเองดังกล่าวเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนาทางปัญญา จึงควรศึกษาตามแนวเทระธิบายของท่านพระสารีบุตรนี้อันเป็นทางอธิบายทางปัญญาอันทำให้ได้ปัญญารู้จักพุทธศาสนา แโดยปริยัติก็ตามโดยปฏิบัติก็ตามย่อมใช้ได้ทั้งสองทางจับพิจารณาให้รู้จักชราความแก่มรณะคือความตาย ว่าความแก่เป็นอย่างนี้ความตายเป็นอย่างนี้ท่านพระอาจารย์ได้อธิบายความแก่ความตายให้ละเอียดขึ้นไปอีก โดยที่แสดงว่าชราคือความแก่นั้นมีสองอย่างคือปฏิชนะชราความแก่ที่ปกปิดอับปฏิชนะชราความแก่ที่ไม่ปกปิด ความแก่ที่ปกปิดนั่นก็คือความแก่ที่มีเริ่มตั้งแต่ชาติคือความเกิดตั้งตนแต่เป็นกะละะในขันของมารดา มาจนเป็นตัวเป็นตน้นคลอดออกมาก็เจริญขึ้นเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นความเจริญเต็มที่ดังนี้เรียกว่าปฏิชันาชราความแก่ที่ปกปิดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความแก่ขึ้นอันความแก่ขึ้นนี้ ก็เป็นชราเหมือนกันคือความแก่เราทั้งหลายก็ยังเรียกความแก่ขึ้นของผลไม้เมื่อผลไม้แก่ผลไม้นั้นก็เริ่มมาตั้งแต่ต้น จนปรากฏเป็นผลเล็กๆแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นจากผลไม้อ่อนก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นเป็นแก่เต็มที่ก็เรียกกันว่าผลไม้แก่แต่ว่าบุคคลเรา ร่างกายที่จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจนเจริญเต็มที่ไม่เรียกกันว่าแก่แต่อันที่จริงก็เป็นอย่างเดียวกันกับผลไม้นั้นแต่เพราะคนเราไม่เห็นมันเป็นความแก่ แต่ว่าไปเห็นผ ล, ลไม้ว่าแก่ในเมื่อผ ล, ลไม้นั้นเจริญเต็มที่ส่วนคนเยาว์เจริญเต็มที่นั้นเราไม่เห็นว่าแก่เห็นว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นความเจริญเต็มที่เรืออันที่จริงก็เป็นอย่างเดียวกันเรียกว่าเป็นความแก่ขึ้นและเมื่อ ร่างกายเจริญเต็มที่แล้วก็เริ่มเสื่อมลงเรียกว่าเป็นความแก่ลงก็แก่ลงไปเรื่อยๆความแก่ลงนี่ ก็เป็นความแก่ที่ปรากฏจึงก็รับรองกันว่าแก่จึงเรียกว่าอั ป, ปติปปตชนนะชราความแก่ที่ไม่ปกปิดเมื่อเทียบกับพระพุธทธธิบายหรือพระเถรธิบาย ที่แสดงมาข้างต้นนั้นที่อธิบายว่าชราความแก่ก็คือความแก่ ซึ่งคำนี้ซึ่งเป็นคำเริ่มต้นก็อาจจะเป็นความแก่ที่ปกปิดก็ได้และต่อมาจึงอธิบายต่อไปว่า ความชำรุดสุดโทมซึ่งเป็นอธิบายของความแก่ลงและอธิบายให้ชัดต่อไปอีกว่าได้แกอาการที่วันหักผมงอก หนังหิวยน่นเสื่อมแห่งอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้นอันความเสื่อมแห่งอายุนั่นก็กล่าวได้ว่า เริ่มเสื่อมตั้งแต่เวลาแรกของชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดก็ร่มเสื่อมเรื่อยไปเห็นว่า เกิดขึ้นมาได้หนึ่งปีกดเสื่อมไปหนึ่งปีเกิดมาได้สองปีกดเสื่อมสองปีก็แปลว่าลดเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดของชีวิตลงไปทุกขณะทุกขณะ ที่เวลาของอายุล่วงไปล่วงไปพราะฉะนั้นอายุที่ล่วงไปล่วงไปนับตัางตระาติคือความเกิดก็เรียกว่าเริ่มเสื่อมไปโดยลำดับ คือคือบเข้าไปสู่ที่สุดอันได้แก่ความตายโดยลำดับทุกขณะทุกเวลาที่ล่วงไปล่วงไปฉะนั้นความเสื่อมของอายุจึงมีมาโดยลำดับตั้งแต่ชาติคือความเกิด และเมื่อแก่ลงความสุดโทรมของอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้นกว่าปรากฏแต่อันที่จริงนั่นตามศัพที่ทันใช้ ว่าอินริยานังปริปาโกที่แปลว่าความสุขรอบของอินทรีทั้งหลายยอมหมายความได้ตั้งแต่แก่ขึ้นแล้วลอจนถึงแก่ลง แต่ก็มักจะแปลกันว่าความง่มเสื่อมจะอันที่จริงนั้นไม่ตรงหาคำแปลยากจึงเขายืมคำว่าความง่มความเสื่อมหรือแกง่งงอ ม, มาใช้เท่านั้นจะอันที่จริงตามศัพท์นั้นได้ทั้งแก่ขึ้นแก่ลง อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายก็เริ่มที่จะสมบูรณ์ขึ้นโดยลำดับตั้งแต่ชาติคือความเกิดดังนี้ก็เรียกว่าปริปากะคือความที่สุกโดยรอบ คือในทางสมบูรณ์เหมือนอย่างผลไม้ที่แก่เต็มที่แปล ว, ว่าสมบูรณ์ที่สุดนืนจึงแก่งอมแปล ว, ว่าแก่ลงตาเสื่อมหูเสื่อมเป็นต้น เพราะฉะนั้นแม้ในพุทธาทิบายและเทราทิบายนั้นก็อธิบายได้ทั้งแก่ขึ้นและแก่ลงดังกล่าวนั้นแต่พระอาจารย์ได้มาชี้ให้ชัดขึ้นอีกเป็นปฏิชนะชราแก่ที่ปกปิดกับอบปฏิปฏชนะปินะชราแก่ที่ไม่ปกปิด ส่วอันที่จริงนั้นก็ไม่ได้ปกปิดด้วยกันทั้งสองปรากฏทั้งสองเป็นแต่เพียงว่าบุคคลไม่รู้จักเท่านั้นคือชี้แจงอย่างละเอียดไม่รู้จักก็ต้อตงชี้กันไปกรงๆว่าแกขึ้นแกลง ลงไปให้ชัดขึ้นเท่านั้นเองแต่พระพุธธทธทาิบายใบอวเทเราธิบายนั้นก็ครอบไว้ได้ทั้งสองอย่างแล้วท่านจึงใช้คำอธิบายถึงเรื่องความแก่นี้ไว้หลายคำดังที่กล่าวมานั้นก็กำหนดพิจารณาให้รู้จักชาราคือความแก่ดังกล่าว และทุกคนก็มีชราคือความแก่ดังกล่าวเด็กก็พิจารณาได้ผู้ใหญ่ก็ได้เราก็แก่ด้วยกันทั้งนั้นตั้งแต่ชาติคือความเกิดดังกล่าวมานั่นและนี่คือชราคือความแก่มาถึงมรณะคือความตาย พระอาจารย์ก็ให้คำอธิบายไว้สองอย่างเช่นเดียวกันคือปฏิปชนะมรณะความตายที่ปกปิดกับอับปจิตอัปิชนะมรณะความตายที่ไม่ปกปิดโดยอธิบายว่าอันความดับ ของธาดทั้งหลายอันปเป็นรูปประขันและของนามประคันทั้งหลายย่อมมีความดับอยู่ทุกขณะในปัจจุบัน แต่ว่าอาศัยมีสันนติคือความสืบต่อด้วยอาหารทั้งหลายเข้าไปบำรุงเลี้ยงชดเคยส่วนที่ดับไปนั้นจึงมีความเกิด ของรูปนามต่อเนื่องกันไปคือว่าเกิดดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดต่อเนื่องกันไปอันความดับที่มีอยู่ในระหว่างในระหว่าง นี่คือมรณะความตายที่มีอยู่ในระหว่างในระหว่างจะพึงเห็นได้ด้วโดยมีอาหารเขาช่วยทำให้เกิดต่อเนื่องกัน ดังที่ได้มีเทสแล้วในอาหารสี่ที่กล่าวมาแล้วแม่ผู้ศึกษาทางสรีรวิทยาในปัจจุบันก็ยังได้กล่าวไว้เช่นนั้น ว่าร่างกายของทุกๆคนในปัจจุบันนี้แม้จนทั้งกระดูกที่เป็นโครงร่ากโครงร่างของแต่ละบุคคลก็หาใช่ร่างกายหาใช่กระดูกที่เป็นโครงร่าง ตั้งแต่เมื่อเป็นเด็กๆใหม่กระดูกและโครงร่างตั้งแต่ที่เป็นเด็กๆนั้นดับหมดไปแล้วแต่อาสัยมีร่างกายตลอดจ น, นั้นกระดูกที่เป็นโครงร่างใหม่บังเกิดขึ้นทดแทน โดยอาหาร